เอาสัมโมจิตใจได้แล้วนะใจตอนนี้มันไปติดอะไรมันติดอะไรมันก็เอาเรื่องที่มันติดมาคิดถ้ามันมีเรื่องคิดแสดงว่ามันมีเรื่องในจิตจิตมันไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดเรื่องข้างนอกแล้วก็เอามาปรุงขึ้นในจิตเราก็ต้องพยายามเอาจิตเรากลับมา เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าใจว่าเบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าจิตเนี่ยมันไหลออกไปมันเพลินไปทะเลทะไลไปซัดสายไปก็แสดงว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องราวของจิตอะจิตมันไปหลงอะไปหลงความหลงหน้าพาคิดเมื่อมันหลงไปเราก็หลังจิตเรากลับมา หลังจิตกลับมาคือยังไงก็มีสติมีสติเอาจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมหรือว่าอยู่กับลมอยู่กับพองเนอยุบเนหรือว่าเอาเข้ามาดูกายดูจิตเราเข้ามาอยู่กับตัวเรานี่หลักนี้มันสําคัญนะถ้าเราเอาจิตเรากลับมาไม่ได้จิตเรามันก็ไหลไปกับอารมณ์เน่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมันก็หลงไปมันก็หลงโลกไปหลงเรื่องราวข้างนอกไปเรื่องข้างนอกก็จะมีความสําคัญ เหมือนเ่ามีความสำคัญไปหมดเลยนะเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมที่นั่นที่นี่เราก็ต้องอยากรู้เราก็ต้องไปติดตามเพราะมันสำคัญกับเราแล้วเรื่องดาราเขาทะเลาะกันเตียงเขาหักมันก็ใจเราก็บุนวายขึ้นมาโอ้ยทำไมเนอะดาราขวัญใจของเราเสด้วย แหมแต่ตอนนั้นน่ะมันสัญญงสัญญาอย่างดีเลยจะรักกันนะแล้วแล้วเอ๊ะทำไมเขาต้องเตียงหกักเลยนะผู้ชายมันเป็นยังไงวะหลือว่าผู้หญิงโอ้มันบ้าแล้วมันบ้าแต่ไม่รู้ว่ารู้ว่าตัวตัวเองบ้า คนอื่นเขาเป็นยังไงนะ่ะไม่สําคัญน่ะแต่ตอนเรากําลังไปบ้าไปหลงเนี่ย<ม>เห็นไหมพูดบ้าก็ไม่ผิดนะมันมันเรื่องของเขาอยู่ดีๆเราเนี่ยไปวุ่นวายนี่แหละคือเรียกว่ามันไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาไปหมายมั่นไปให้ความสําคัญมั่นหมายแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไม่ได้เรื่องอะไรเลยสรุปแล้วข่าวนี้เชื่อพระพุทธเจ้าขอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า เอาจิตกลับมามันก็จะกลับมาปุ๊บมันก็ไม่ได้ก็ค่อยๆเอามาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเอามาอยู่กับลมเอามาอยู่กับกายเอาอยู่กับจิตเอาอยู่กับคาบริกรรม อ, อยู่อาการของกายอาการของเวทนาอาการของจิตมันก็ต้องเอาทุกอย่างเพื่อให้จิตเรากลับคืนมามันชอบคิดก็คิดให้มันตรงกับความจริงตายไหมตายไหมตามตายไหม ถามมันลงไปก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายอยู่แล้วแล้วถ้าเรามัวแต่ไปสนใจไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นเรามันเสียเวลามันไม่ใช่ทางออกจากทุกข์ไม่ใช่ช่องทางที่จะทำให้จิตเรามันดีขึ้นมันมีแค่ความอยากรู้เห็นไหมตัวอยากตัวอยากนะ้ามันสร้างเรื่องอยากรู้อยากติดตามอยากได้ยินได้ฟัง ถ้าถามว่ารู้แล้วได้อะไรไม่ได้อะไรแค่ได้รู้แล้วมีประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรบางทีฟุ้งซ่านด้วยโอ้โง่จริงๆเลยนะั่นเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยทั้งบ้าทั้งโง่ทั้งหลงอู้ยเต็มเลยนะล่ะคราวนี้เราหายบ้าหายงโง่หายหลงเอาจิตกลับมาไม่ต้องหลงอารมณ์อะไรอีกต่อไปแล้วยิ่งตอนนี้กำลังฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากำลังปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ในเมื่อพระไทยของพระพุทธเจ้าอยู่กับพระองาศาบาริสุทธิ์หมดจดรู้ด้วยพยานด้วยตัสรู้เองด้วยมองเห็นด้วยจิตชัดเจนแจ่มแจ้งว่าทางออกต้องเอาจิตกลับมากลับมาแล้วก็ใครมันมาอยู่ภายในนี้ไอ้จิตนี้มันเคยคิดที่นี่มันมาแล้วมันก็ทําท่ายึกยักยึกยกอยากจะไปอีกก็ต้องคุมไว้ก่อนนี่แหละที่ต้องคุมคุมจิตให้มันอยู่ เ น, นี่ยมันอยู่เนี่ยจิตที่มันอยู่แม้มันมีอารมณ์เดียวแต่ว่ามันได้กำลังบางคนกลัวติดนะกลัวติดสมถะกลัวติดนิ่งกลัวไม่ได้ปัญญาเอาก็ต้องให้มันอยู่สักก่อนเพราะมันเคยไปก็ให้มันมีกำลังสักก่อนเตรียมความพร้อมขึ้นมาสักก่อนเหมือนคนหายป่วยใหม่ๆอย่างนี้ร่างกายไม่แข็งแรงจะไปทำงานมันทาไม่ได้หรอก มันก็ต้องพักสะก่อนต้องบำรุงรักษาดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองให้มีกำลังสะก่อนแล้วค่อยออกไปทำงานได้จิตเราก็เหมือนกันก็ในไมื่อไหลไปจนไม่มีกำลังแล้วก็เอากลับมาสิกลับมาแล้วก็ให้มันมาอยู่ข้างในนี้มันนิ่งๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนี่นาะเพราะมันกำลังฟื้นฟู กำลังต้องการกําลังทีนี้คนที่มีกําลังแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมันต้องพิจารณามันต้องเป็นวิปัสสนามันจะพ้นทุกนิ่งไม่พ้นหรอกใช่ตอนนิ่งๆ่งอยู่นั่นมันต้องการกําลังเหมือนคุณอยากได้เงินคุณก็ไปทํางานสิแต่กําลังป่วยอยู่นี่หนาคุณก็ต้องรักษาซะก่อนตรงนี้ต้องฟื้นฟูร่างกายซะก่อนให้มันพร้อมซะก่อนใช่ถ้าร่างกายแข็งแรงก็ไปทํางานแล้วก็จะได้เงิน แต่ตอนนี้ร่างกายมันยังไม่พร้อมก็ต้องให้มันพร้อมซะก่อนจิตก็เหมือนกันนี่มันไม่ต้องไปข้ามขั้นตอนเพราะใครพูดยังไงก็ตามเราก็มาทําความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติให้มันมีหลักขึ้นมาเมื่อมีหลักขึ้นมาแล้วใครพูดยังไงอ๋อขั้นนั้นขั้นนี้เขาพูดไปแ ม, แม้แม้เขาค้าอ่านหนังสือมาเขาพูดตามหนังสือก็ได้ด้วยจิตเขาอยู่ระดับนี้เขาพูดสูงกว่าไอ้ภูมิจิตของเขาก็มีด้วยเนี่ยสแสดงว่ารู้ไม่จริง ถ้าเราปฏิบัติเราเห็นความจริงเฉพาะหน้านี่แหละมันจริงสำหรับเรามันพอดีสำหรับเราเพราะนั้นเบื้องต้นก็ดูเลยเอาจิตเรากลับเข้ามามาแล้วไงมันอยู่อยู่ในกายเราในจิตเรามันก็มีแค่นี้นี่ชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราก็กายกับจิตถ้ามันไม่อยู่ก็มันก็ไปออกไปข้างนอกไปเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องดินฟ้าอากาศฝนตกน้าท่วม เรื่การบ้านการเมืองเรื่องแท่นาทีนี่หรือไม่งั้นก็เรื่องหนังเรื่องละครเรื่องกีฬาไม่ว่าเราจะทําอะไรอ่ะจิตของเราต้องอยู่นี่หลักมันเป็นอย่างนี้แต่จัตต้องอยู่กับตัวเองทำใหม่ใหม่มันต้องคุมก่อนแต่ถ้าจิตมันมีกําลังขึ้นมาไอตัวจิตเนี่ยมันก็รู้ด้วยนะเวลามันดับมาอยู่กับตัวเองมันรู้สึกมันสบายขึ้นอ่ะมันจะรู้ขึ้นมาว่าโอ้ออกไปแล้วนี่มันไม่สบายเลยอ่ะ เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบีบคั้นจิตของตัวเองทีนี้มันก็ปรับตัวเองขึ้นมามันก็ไม่อยากออกไปไม่อยากออกไปมันก็เอาให้มันพออยู่ข้างในเนี่แหละได้มันก็เบาลงไปมันก็ไม่ต้องไปเพ่งเล็งอะไรมากมายคล้ายๆดูเฉยๆก็ได้มันก็เบาลงมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีสติสัมปชัญญะ หมายว่าจิตเนี่ยมันแน่วแน่ขึ้นกว่าเดิมแล้วอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ทันหลําไปมันไม่ไหลไปทีนี้จิตก็อยู่พออยู่ขึ้นมากำลังของมันมากสมาธิมันมากขึ้นมาแล้วตัวสติก็ไม่ต้องไปเที่ยวคอยระแวดระวังจิตมากถ้าจิตเหมือนเด็กก็สติเนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงอ่ะถ้าเด็กมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวพี่เลี้ยงก็ทางานมากหน่อยพอมันดื้อมันซนมันจะไปอยู่เรื่อย แต่มันเริ่มโตขึ้นมาแล้วไอ้เด็กเนี่ยมันเริ่มรู้เรื่องรู้เล่าแล้วไปตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวเป็นอันตรายมันไม่ไปแล้วมันรู้แล้วพี่เลี้ยงก็สบายๆแค่อันไหนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ก็คอยช่วยเหลือเขาไปเนี่ยสติมันก็ลดหน้าที่ลงลดความสําคัญลงอาศัยสมาธิทําให้จิตเนี่ยมันแน่วแน่มันมีกําลังเนี่ยมันก็เห็นอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่เริ่มเห็นความเกิดดับ ทำมันเห็นใหม่ๆมันก็ยังไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่แต่ว่าได้เห็นแล้วเนี่ยมันก็เบามันจะรู้สึกว่าเบาไปเรื่อยๆแล้วแต่มาเห็นบ่อยเข้าเอ้าเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของเราแต่เห็นเล็กๆน้อยๆก็ยังไม่ลึกซึ้งแต่ถ้าพอเห็นมันนานขึ้นปับ๊บมันจะรู้สึกขึ้นมาได้เอ้าไม่ใช่เรานี่ยนะบางจังหวะมันมีความลงตัวนะไอ้จิตของเราเนี่ยเห็นปับ๊บเหมือนไม่มีอะไรเป็นเราเลยเนี่ยโล่งโป่งเลยสบายเลย จิตมันก็รู้ว่าไม่ใช่เรานี่ยแต่มันไม่ได้รู้ตลอดมันรู้เป็นบางจังหวะแค่นี้ก็โอ้โหจิตมันก็เข้าใจแล้วทีนี้มันก็เริ่มอยากปฏิบัติมากขึ้นแล้วความเพียรก็จะมากขึ้นพอไปถึงระดับหนึ่งนี้ความเพียรมันจะเกิดเองเลยนะแล้วเพียรในจิตด้วยแต่มันเพียรในจิตแล้วนี่มันเริ่มเพียรเองได้แล้วก็สติก็เริ่มมีกําลังขึ้นมาสติก็ทํางานเองได้ด้วย จิตไปไหนมันก็คอยตามดูจิตควบคุมจิตรักษาจิตได้เองงานการที่เราจะทําภายในเราก็ลดลงไปคล้ายๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งมากไม่ต้องไปบังคับมากมทําไปตามความเหมาะสมทีนี้พอจิตมันเข้ามาแล้วมันแน่วแน่แล้วมันเป็นกลางแล้วมันมั่นคงขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าจิตมันยังทําท่ามีอาการอยากออกไปอยู่อันนี้ก็จําเป็นต้องกลับมาทําให้มันอยู่ เช่นบริกรรมเอามาเพ่งเล็งจุดไดจุดหนึ่งหรือวิธีไหนที่ทำให้จิตอยู่ก่อนเนี่ยคือสร้างกำลังให้กับจิตการที่ให้จิตมันเพ่งเล็งจดจ่ออยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่เขาเรียกว่าสมาธะาเพื่อให้จิตมีกำลังพอมีกำลังแล้วมันก็เห็นอีกทีนี้บางทีกำลังมันไม่พอมันยังเห็นไม่ชัดเราก็ต้องหาวิธีต่อไปทำยังไงดีอ่ะก็เอาจิตมาส่องดูเอามาดูเอา เช่นดูลมหรือดูร่างกายสอนไปด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมร่างกายไม่ใช่จิตนะมันอยู่ของมันนะเห็นไหมลมหายใจกัหายใจของมันส่วนนั้นส่วนนี้ทำงานไปเองนะอย่าไปหลงว่าร่างกายเป็นเรานะนี่ระบบร่างกายเห็นไหมมันก็เห็นของมันอยู่เฉพาะหนะ้าที่แรกก็เอานำไปก่อนคิดนำไปก่อนนี่คือเอาปัญญาของบุญเยาวมาคิด นี่มันประกอบขึ้นมาเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟประกอบกันขึ้นมาเฉยเฉยแยกออกไปถ้าใครมีความรู้มันก็จะมีคําอธิบายมากขึ้นว่าเอ้ธาตุดินนี่มันแข่นแข็งนะหรือแข็งอ่อนนี่คือธาตุดินนะธาตุลมมันเคลื่อนไหวนะมันทําให้เกิดการหย่อนการตึงนะธาตุไฟเย็นร้อนธาตุน้นํานี่ก็สัมผัสด้วยจิตของเรานี่แหละมันมีอาการยังไงอ่ะเออบาบ ทำให้เกิดการเกาะกลุ่มเนี่ยจิตมันก็สามารถที่จะประเมินได้หรือเป็นของเหลวเช่นคือน้ําลายเมื่อไปหรือว่านึกถึงเลือดนึกถึงน้นําหนองอะไรขึ้นมานี่เป็นธาตุน้ําแต่ในธาตุน้ําก็มีธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอยู่ในนั้นละ่ะแต่ว่าอาศัยว่าธาตุน้ํามันมากมันก็เลยกลายเป็นของเหลวทําให้เกิดความเออปาบนี่แล้วอันนี้เราหมายว่าเราดูกายเราก็ จะทำความเข้าใจให้มากขึ้นก็คือเอาจิตมาส่องดูเอามาจ่อดูแล้วก็แยกแยกย่อยทําไม่งั้นเราก็มองเป็นองค์รวมอ่ะรวมเออมันสวยมันงามมันติดอยู่แค่ผิวหนังเน่ยมันไม่สามารถจะทะลุเข้าไปอ่ะแต่บางคนที่ถนัดถนัดว่าเออชอบความสวยความงามเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อจิตเขา เรียกว่าจิตมันมันน้อมไปในทางราคาเป็นมีการมชันทะมีการมราคะมันมากมันต้องบรรเทาพวกนี้จะต้องให้มันเห็นของไม่สวยไม่งามนี่เหตุที่มียาสุภาเขาพ่ออย่างนี้เพราะจิตมีความกำหนัดเนี่ยบางคนเนี่โอ้ยมีความกำหนัดแรงผู้หญิงก็เหมือนกันนะไปที่วัดเขาไปถามเลยพินาสุภาพินายังไงเราบอกเอายังไงก็ได้ให้เหตุว่ามันไม่สวยไม่งามจะทําความรู้สึกเหมือนกับหั่นแขนนี่ก็ฉากมันออกไป เลือดมันหยดติ๊งติ๊งก็ได้ถ้ามันถูกจริตแต่มันจะพอใจเห็นหนังแดงเลือดแดงฉานอย่างนี้มันจะสวยงามได้ยังไงทํำไมถนัดอย่างนั้นก็เอานึกถึงผมนึกถึงตัวเราเวลาไม่ได้อาบน้ําอาบท่ากลิ่นมันออกมาเป็นยังไงเวลาเราเข้าใกล้คนที่เขาไม่ได้สระผมหลายวันเป็นยังไงข้างนอกสวยงามขนาดไหนแต่มันกลิ่นมันมีอะกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวอะไรเนี่ยอย่างเชว่าเรามาอยู่ด้วยกันนานๆเข้าไม่ได้อาบน้ําอาบท่าอากาศมันร้อน โอ้ปาเดี๋ยวมันก็มีกลิ่นขึ้นมาแล้วมันมันสวยงามตรงไหนอ่ะอันนี้ก็หมายว่าให้จิตเราเนี่ยมันเข้าใจอ่ะให้บรรเทามันไอคนที่ชอบรักสวยรักงามติดยึดร่างกายมากๆติดลูบมากๆก็พิจารอย่างนี้แหละชอบอะไรของเขิงอะไรเห็นของใหม่ๆไม่ได้เลยอ่ะพวกเนี้ยไปชอบ ป, ปิ้งทีไรโอ้ยเงินเนี่ยหมดกระเป๋าทุกทีประเภทเห็นอะไรใหม่ๆไม่ได้นี่ก็ต้องเอาใหม่เดี๋ยวมันก็เก่าต้องฝึก ฝึกให้มันคิดเป็นไม่เอาแล้วตายไหมจําเป็นไหมบางทีเอาไปแล้วไม่ได้ใช้ก็มีเคยเห็นเขาออกทีวีนะ้รองเท้าอุ้ยเก็บสร้างห้องเก็บรองเท้าอะ่ะโหถ้าตายนี่รองเท้าเขานี่น่าจะเอามาวางเรียงๆกันเอาศพขึ้นไปตั้งเผาได้เลยนะเอารองเท้ามาเผาศพตัวเองนะเสื้อผ้านี่ก็อห้ยไม่รู้กี่ห้องเป็นตู้ตู้ตู้นะ นั่นก็เหมือนกันน่ะถ้าเอาเสื้อผ้ามากองกองกองเอาคนขึ้นไปนอนเนี่ยนะเผาบางทีศพตัวเองมันโดนเผาเวลาเสื้อผ้ายังไม่หมดเลย <c oughs> <c oughs> มันเยอะมันเยอะจัด <c oughs> เอาเป็นบางคนไม่ใช่อยู่ที่นี่คงไม่มีหรอกอย่างนั้นน่ะอย่างเก่งก็สองสามชุดนะแค่นั้นละ่ะเพราะเราไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องอยู่แล้ว ก็ทีพระพุทธเจ้าชุดเดียวไปงานไหนกับชุดเดียวไปข้างนอกอเอาหมแบบนี้อยู่กับที่อยู่กับวัดริสสถานที่ไหนพอานุโลมเป็นวัดเอาหมเชียงซะถ้าไม่มีใครก็เอาเอาจีวร อ, ออกมันร้อนนุ่งอังสะสะบงตัวเดียวสบายชุดเดียว ขนาดชุดเดียวเนี่ยโอยคนแ ฮ, แฮน่แห่นดูอาหารการกินเยอะแยะแน่ไหมบางทีห ล, หลายชุดเนี่ยนะแสดงว่ารู้ตัวว่าไม่สวยไม่งามเลยต้องอาศัยอะไรมาปกปิดหนาเยอะๆแต่ก็ทำถ้าอาใช้สอยไปที่จริงมันก็ใช้สอยไปตามความเหมาะสมเราอยู่ในสังคมพอมันอยู่กันได้พอเป็นที่ยอมรับกันได้ไปไหนมาไหนมีความมั่นใจในตัวเอง ใจมันสุขมันสบายมันไม่เป็นไรอย่างนี้นะไม่ได้มากมายอะไรเราไม่ได้ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้ามันอยากจนดิ้นรนอย่างนี้อันนั้นจะต้องหาทางแก้ไขแล้วมันติดแล้วมันยึดแล้วมันอยากมากเกินความจําเป็นของตัวเองแล้วเกินขอบเขตที่ตัวเองจะหาได้มานี่แสดงว่ามันมักมากไม่ใช่มักน้อยผู้เจ้าสอนให้มักน้อยสันโดษต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใขณะนี้ ถ้ามันจะได้มามากกว่าเดิมก็ได้ถ้ามันมีความเหมาะสมแต่จิตเราไม่ดิ้นลดเนี่ยสําคัญตรงจิตเลยนะนี่แหละเรื่องร่างกายเรื่องไม่สวยไม่งามเขาห้องน้ำห้องส้วมเอาหมดแหละปัสสาวะออกมาหรืออุจจาร ะ, ะนี่ดูเลยเออหลวงเอามาดูอยี่ดูดมดูเป็นยังไงหอมไหมเอามาชิมดูรสชาติมันเป็นยังไงจะได้รู้นี่หละของเราตัวเรามันออกมาจากเรา เอาทุกวิธีทางให้มันเข้าใจเรื่องตัวเองเรื่องกายก็ให้เข้าใจแต่บางคนมันไม่จำเป็นต้องไปทําแบบนั้นนะแค่เห็นว่าร่างกายมีความทุกข์มันเจ็บมันปวดเอ้ยมันทุกข์มันค่อยๆวางออกไปวางออกไปมันไม่อยากยืดมันเจ็บมันปวดนั่งทีไรเจ็บปวดวางไปวางไปสุดท้ายปล่อยวางได้เนี่ยอสุภะก็ดูยนมันไม่สวยไม่งามจิตก็เลยไม่อยากออกไปคราวนี้ก็หดตัวเข้ามาดูใหม่ อู้นี่ไม่ใช่ของเรามันก็มาที่ไม่ใช่ของเราเหมือนกันแต่อันหนึ่งมันต้องบรรเทาซะก่อนเพราะว่าอารมณ์อื่นมากัน้นกั้นไม่เห็นความจริงเราก็ต้องละลายอารมณ์นั้นไปซะก่อนมันจึงต้องมาเจริญอสุภะกรรมฐานแต่ถ้าใครมองปั๊บลงไปอ่ะบางคนนี่เขาศึกษาเรื่องจิตละเอียดโดยเฉพาะคนที่ศึกษาเรื่องปฏิจสมุบามันเห็นกระบวนการทางานของจิตอ่ะว่าจิตเนี่ยเวลากระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ย มันจะมีเวทนาขึ้นมาไม่ว่าเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกขึ้นมาก็ตามพอเข้าไปกระทบจิตปับ๊บมันจะมีความรู้สึกขึ้นมานี่นมันเป็นแค่ความรู้สึกรู้สึกสบายไม่สบายรู้สึกสุขทุกข์นั่นแหละเนี่ยมันมีเวทนาเ็าเรียกวเวทนาเกิดขึ้นมาถ้าดูอยู่เฉยๆเกิกระทบปับ๊บถ้าทันปับ๊บเนี่ยมันจะสักแต่ว่าผัสสว่า ก, การกระทบเนี่ท่านจึงให้รู้ทันผัดส การปฏิบัติธรรมก็คือ น, นี่แหละถ้าใครเริ่มต้นที่ภัรษะนี่ถูกต้องเลยทุกทางเลยในชีวิตประจำวันนี่ต้องระวังให้ดีอ่ะพมกระทบเยอะเดี๋ยวเสียงบ้างเดี๋ยวลูกมาเสียงมากลิ่นมารถมาเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบสัมผัสอารมณ์อะไรที่มันผุดโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันกระทบจิตหมดละร่างกายเี่ะ ถ้ามีสมาธิมันก็แค่ว่าโอ้ยมันจิตมาอายอยู่เฉยๆสุดท้ายก็ต้องตายนี่ถึงความตายมันก็ละลายไปละความยึดติดข้องในร่างกายเบาลงไปก็ได้หมดอะวิธีไหนก็ได้ทำให้จิตเราปล่อยวางได้เป็นเพราะจิตมันไปหลงเองหลงกายหลงรูปลูลประขันเนี่ยหลงของตายหลงของมาแก่มาเจ็บมาตายถ้ามันขายออกอะสอนได้หมดเลย คนใครที่มีปัญญาละเอียดขึ้นมามันก็สามารถวางกายได้ง่ายขึ้นแค่มองเห็นแค่รู้สึกแล้วจิตมันไม่เอาแล้วหเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเด็ดขาดลงไปต้องเด็ดขาดด้วยนะสรุปลงไปด้วยนะหรือว่าเห็นจิตก็เหมือนกันเห็นเวทนาก็เหมือนกันแหละว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเจ็บมันปวดแล้วก็มันก็ทะลุไปถึงร่างกายเพราะมีกายมันถึงจะเจ็บมีปวดทางกายขึ้นมาได้มันก็เบื่อหน่ายไปพร้อมกันเบื่อหน่ายกายเบื่อหน่ายเวทนา มันก็มีจิตเนี่ยที่มันไปยึดอยู่มันก็เห็นจิตอีกก็วางกันไปหมดเนี่ยเวลามันจะสรุปมันจะสรุปไปพร้อมกันเห็นพร้อมกันเลยนะจะเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็เป็นอันเดียวกันเลยอริยมรรคก็รวมเป็นหนึ่งเดียวยสสีก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเวลามันจะสรุปอ่ะก็ต้องอาศัยการปฏิบัติบางคนเมื่อไหรมันจะก้าวหน้าเอาก็ต้องปฏิบัติไปก่อนสิสู้กับทุกเวทนาสู้ไม่ค่อยได้เลยเอาก็ สู้ไปก่อนสร้างปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆให้มีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสู้ได้ขคือเหนียวความเพียรด้วยถ้าเพียรมากหน่อยมันก็เร็วขึ้นหน่อยเพียรมากอดทนมากทําความเข้าใจได้เร็วได้มากขึ้นมันก็ปล่อยวางได้มากขึ้นถ้าเราเพียร น, น้อยหน่อยมันก็เห็นช้าหน่อยมันก็ค่อยๆทําไปแต่ถ้าหาว่ามันมีกําลังขึ้นมาแล้วมันเห ม, มือนตลอดเวลาเลยนะอย่างอาการของจิตนี่มันเห็น ทีนี้ถ้าอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันเหมือนกับมันยืดยาวอ่ะเพราะว่ามันปั๊บเนี่ยมันเร็วมากเลยนะมันไม่สามารถพูดเป็นขั้นเป็นตอนได้นะที่เราอธิบายว่าเออกระทบอารมณ์ปั๊บมันต้องมีการกระทบก่อนอย่างเงี้ยถ้าสติไม่มีกําลังไม่เห็นน่ะแต่ถ้าคนมีกําลังเห็นปั๊บกระทบอะไรจิตอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเลยมันเฉยไปแล้วก็ดับไปเลยดับไปเลยนี่เรียกว่าสักแต่ว่าผัดสักต่อมาก็เอามีความรู้สึกปั๊บเกิดขึ้น ในจิตในใจของเราเนี่ยเห็นอีกก็ดับไปอีกพอเห็นแล้วมันจะดับนะหรือแม้แต่จิตของเราเนี่ยมันไหลไปหาอารมณ์โซว่ามันกําลังถล่มไปกับอารมณ์และเรื่องราวต่างๆนโะซว่าเขาว่าเราอย่างเงี้ยมันนึกถึงเรื่องเขาว่าเราปั๊บอยู่ผมกําลังดิ้นที่นี่มันกําลังโกรธกาลังโมโหโแต่ถ้าสติเรามีกําลังนะเราพยายามตั้งใจดูเลยตั้งใจดูเลยพอตั้งใจดูปับ๊บถ้าจิตเนี่ยมันสามารถดูได้ เราเป็นจิตจิตเนี่ยเป็นเราไปแล้วไออารมณ์ที่มันกําลังโกรธกาลังขุ่นเคืองกําลังไม่พอใจอยู่นั่นนะ่ะมันค่อยๆลดลงลดลงลดกําลังลงอยู่ที่ว่าเราเข้าหาจิตได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายก็เข้าหาจิตไออารมณ์นั้นมันก็จะค่อยๆลดกําลังล ง, ก, ลงก็ดับไปจิตเราก็มาอยู่กับจิตจิตเราก็ไม่ทะเลทลไปไม่ถะลําไปไม่หลงอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ก็ไม่หลงโลกไม่หลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลก จิตเราก็เป็นอิสระรก็มาดูจิตต่อไปดูกายดูเวทนาดูจิตเนี่ยสติปัฏฐานสีของพระพุทธเจ้าเวลากระทบอารมณ์เนี่ยไอตัวตัววิญญาณไอตัวจิตเนี่ยมันจะมีสัญญาอยู่ด้วยเห็นปับ๊บสัญญามันก็จดจําได้นี่คือใครผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมันจะรู้ขึ้นมาถ้าเรามีสติอยู่ก็เป็นปกติอยู่ถ้ามีความรู้สึกมันก็จะมีความอยากถ้าสบายมันก็อยากเอามันพอใจขึ้นมามันอยากเอา อยากมีอยากเป็นอยากเกี่ยวข้อง้ามันไม่ถูกใจไม่พอใจขึ้นมามันก็อยากให้หายไม่อยากเกี่ยวข้องเราจะเห็นอาการของจิตเราสุดท้ายเป็นเรื่องของจิตเราเพราะนั้นเราฝึกในรูปแบบอย่างนี้เพื่อที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราจะเอาแต่ในชีวิตประจำวันอย่างเดียวมันกำลังมันไม่พอเหมือนนักมวยอ่ะจะซ้อมอย่างเดียว ไม่เคยขึ้นเวทีเลยอ่ะไม่เคยเจอสถานการณ์จริงมันไม่ได้อ่ะไม่เคยคิตเหมือนทหารจะซ้อมอย่างเดียวไม่เคยออกลบไม่ได้ต้องออกลบนักมวย ก, ก็ต้องขึ้นเวทีเจอคู่ต่อสู้จริงมีผลแพ้ชนะนี่มันก็จะได้เห็นกันเพราะนั้นต้องมีรูปแบบด้วยมีเดินจงกรมมีนั่งสมาธิเพื่อให้จิตเราขยับตัวมากขึ้นพอมีตัณหาอยากแล้ว มันมีทั้งอยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากให้เที่ยงเนี่ยพวกนี้พวกนี้เป็นความอยากหมดกับอีกอันหนึ่งไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้ดับศูนย์สลายเนี่ยมันนึงมีการมาตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหาเกิดขึ้นในจิตถ้าเรารู้ทันตอนไหนมันก็จะดับถ้ารู้เร็วมันดับเร็วถ้ารู้ช้ามันก็กลายเป็นอุปทานพอมันอยากมากขึ้นแล้ว เมื่อมีอุปทานมันก็จะกระทําตามอุปทานนั้นเขาเรียกวเป็นพบนี่มันก็คุ้มลุมจิตและเรื่องราวมากแล้วทีนี้จากนั้นก็เป็นชาติปรุงแต่งเป็นตัวกูรุนแรงแล้วทีนี้ของกูจากนั้นผลที่ตามมาต้องมีชรลาโมระนะคืออารมณ์นั้นมันจะต้องค่อยๆขยายมากขึ้นหรือว่าแก่ตัวเรยอว่ามันมากมันนานแล้วก็กว่ามันจะดับมันก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนานสภาวิยสะ มีความเศร้าโศกร้องไห้ลำพึงลำพันธุ์ทุ ก, กายทุกใจเหือดแห่งใจนี่มันเรื่องของกระแสทุกหมดเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่ระวังจิตละทุกแน่แน่มันเป็นทุกข์ก็พอะเราไม่เข้าใจชีวิตของเราไม่เข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตของเราพอเข้าใจแล้วจริงๆ ร, ร่างกายก็ไม่มีอยู่ชั่วคราวเฉยๆดูสิไม่มีเรื่องอะไรเลยมีแต่จิตเราหลงไปเองจิตก็มันก็เป็นมีความรู้สึกไปตามธรรมชาติของมันอ่ะ เราไม่ทันมันเองนั่นกลายเป็นว่าเรานี่รู้ไม่ทันไม่ทันความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเองเนี่ยเพราะนั้นถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่ได้ทีนี้เวลาปฏิบัติ เ, เอาจิตมาแล้วทีนี้จิตก็อยู่ข้างในอยู่ข้างในแล้วมีอะไรเกิดขึ้นละ่ะร่างกายเป็นยังไงอะ่ะมันแน่นขึ้นมามีไหมมันจุกขึ้นมามีไมปวดหัวมีไหมเราก็ต้องรู้จิาเป็นเรื่องร่างกายจิตเป็นผู้ดู อย่าไปปรุงแต่งว่าเป็นเราอุย้ยเราแย่แล้วเราเจ็บตรงนั้นเราเจ็บตรงนี้ปวดหัวขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันแน่นทํำยังไงมันถึงจะหายพระพุทธเจ้าสอนให้รู้รับรู้รู้ว่าเออเนี่ยร่างกายมันเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองแสดงว่ามันแค่ดูเฉยเฉยไม่ให้มีเราสร้างความเป็นตัวเราตัวตนของเราขึ้นมาเพราะมันหลงแล้ว เพราะมันไม่มีเราตั้งแต่ที่แรกเราที่นั่งอยู่นี่แต่ก่อนไม่มีในโลกนี้ไม่มีหรอกเหมือนวิญญาณมาอาศัยาธาตุพ่อธาตุแม่ที่เข้าไปพบกันแล้วก็อาศัยอาหารเนี่ยหล่อเลี้ยงที่แม่รับประทานเข้าไปเป็นเลือดแล้วเข้าไปหล่อเลี้ยงก็จเจริญโตเติบขึ้นมาก็แค่นั้นเองต่อไปก็แก่ลงแก่ลงก็ตาย ไอ้จะมัโมเมว่าเป็นเรามไม่ได้หรอกเนี่ยจิตก็ต้องวางเฉยสิมันปวดมันเจ็บมันแน่นมันอึนอดอดัดก็ช่างมันคนปฏิบัติก็ต้องมีสินี่มันเราเขาเรียกสภาวธรรมมีขึ้นมาก็เพื่อให้เราได้ฝึกจิตให้เราได้ปล่อยได้ว่างจิตก็เกิดดับหมายว่ามันเป็นแค่กระแสะความเกิดดับเรายังไม่เห็นถ้าเราปฏิบัติไปก็จะรู้ก็เห็นเหมือนกันเราก็ต้องเอาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเครื่องมือฝึกจิต เจ็บปวดขึ้นมาก็ต้องทนเพื่อจะให้จิตมันวางจิตได้ให้มันเห็นว่านี่มันร่างกายมันมีความเจ็บความปวดตามธรรมชาติถ้าเราอดทนได้ต่อไปจิตเราก็แยกออกมาจากกายได้แยกออกมาจากเวทนาได้แยกออกมาจากความรู้สึกนึกคิดได้แยกออกมาได้ก็เห็นว่าขันห้านี่มันอยู่ของมันมันเกิดดับของมันมันไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเรา แต่มันต้องเห็นด้วยจิตด้วยญาณถ้ามันวางอะไรหมดแล้วมันก็เหลือแต่จิตเลยที่หนีโอ้ชาวนี้จิตนี่เวลามันไม่เอาอะไรแล้วนี่ยมันหดตัวเข้ามาเลยนะเรื่องอื่นๆไม่มีเลยกลายเป็นเรื่องข้างนอกหมดเลยเป็นพวกความหลงอย่างเดียวเลยทิมไปเอาเรื่องราวเข้ามาเนะี่ยมันก็เลยไม่ให้จิตหลงอีกต่อไปเพราะหมดความหลงแล้วมันก็ไม่เอาอะไรมาแล้วบางทีพอมันจะไหลไปทางไหนปับ๊บ มันก็คุมได้แล้วมันรู้แล้วเนี่ยจิตก็เลยไม่อยากไปไหนอยู่เป็นอิสระจากอารมณ์จากโลกนี่แหละมันจึงมีความสุขความสงบรมเย็นเอาต่อไปนี้ให้ภาวนากันไปนะจะอธิบายแค่นี้ก่อนนะเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคนเริ่มส ป, ประงกแล้วแต่ไม้เท้ามันเริ่มขยับละขยับเพราะเราไปจับมันขึ้นมามันเลยขยับเพราะมันจะเริ่มออกตีคนแล้ว หรนะอบบายนี้อาจจะตีแรงขึ้นหน่อยพราถือว่าผ่านรอบเช้ามาแล้วเอาเข้านี้เตรียมตัวนะเตรียมตัวเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสมมุติว่าตอนนี้เรากําลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระไทยของพระองค์เนี่ยเป็นอิสระ สะอาดบริสุทธิ์หมดจดนะอารมณ์อะไรไม่สามารถที่จะกํากลายเข้าไปกุ้มลุมพระทัยของพระองค์ได้ทีนี้เราจะสมัครใจเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาจิตเราอย่างดีเลยนะไม่จิตเราเนี่ยเอาเรื่องราอะไรเข้ามาอีกแล้วถ้าหากว่ามันสนิทจริงๆเนี่ยมันแม้แต่ร่างกายมันก็อยู่ของมันตามธรรมชาติเฉยเฉยนะจิตมันจะไม่ส่งกระแสออกไปเพราะมันรู้แล้ว เวทนามันก็อยู่ที่ร่างกายมันก็เป็นเรื่องของเวทนาตัวจิตเนี่ยมันไม่ไปยุ่งเลยอะ่ะมันไม่ไปยุ่งเลยมันหดตัวเข้ามาอยู่กับจิตเลยเรื่องอื่นๆยิ่งอยู่ข้างนอกยิ่งห่างไกลเรื่องคนนั้นคนนี้โหเขามาตามกรรมไปตามกรรมอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ตายจากโลกนี้ไปหรือไม่งั้นเราก็ตายจากเขาไปมันเลยไม่อยากไปยุ่งกับอะไรที่นี่ ทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันคิดมันนึกมันอะไรขึ้นมาเรียก็ดับไปแล้วรู้สึกอะไรก็ช่างดับไปแล้วมันไปชอบอะไรที่คิดว่าจะดีเหมือนกับจะไปเอามาให้ตัวเองมีความสุขอ่ะมันก็รู้ว่าไม่สุขจริงไม่มีเราไม่มีเราแล้วมันจะไปเอามาเพื่อให้เราสุขได้ยังไงมันหลอกเราอีกตัวอยากเนี่ยไอ้ความอยากเนี่ยมันจะหลอกเราได้หลอกว่าถ้าได้อันนั้นมาจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วไอ้สิ่งนั้นน่ะมันก็มีความเปลี่ยนแปลง มันไม่อยู่ในอำนาจของเราหรอกเราจะไปให้มันมามีความสุขมันไม่ได้เพราะว่าตัวมันเองก็มีความทุกข์อยู่ในตัวเองแล้วสิ่งนั้นอะ่ะยิ่งเป็นคนยิ่งโอ้ยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากเลยนะขึ้นขึ้ น, นลงลงจะหวังว่าเขาจะมั่นคงเหมือนกับจะว่าโอ้ยคอย เวลาเราไม่สบายใจทุกใจเขาจะปอบโยนพูดจาให้เรามีความสุขความสบายใจพาเราไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เบิกบานลื่นเลิงบันเทิงเขาเองก็มีความทุกข์ใจเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองโอ้มันพึ่งอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยจิตมันจึงวางหมดเลยกลับเข้ามาถ้ามันจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ใช้สอยอะไรก็ใช้สอยไปแต่มันไม่ติดอย่างเก่าไม่ยึดอย่างเก่า ไม่เป็นหลงอีกต่อไปแล้วนี่และจิตมันรู้มันเลยหดตัวเข้ามาเลยคอยดูว่าเออมันควรทำอะไรเหมาะสมกับอะไรทำอะไรยังไงจะทำไปตามสมควรเนี่ยจิตที่มันรู้รอบมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะสมควรทำาะไ้ก็ทำซะจบแล้วก็จบไปจิตไม่ดิ้นลน่นไม่สรงสายออกไปไม่ทรงกระแสไปไหนเหมือนกับมันกลับเข้ามามันรู้เรื่องหมดแล้วเพราะนั้นทุกคนล่ะ าหาว่าจิตมันเริ่มมีสติมีปรรัญญามีธรรมะก็คือมันไม่ไปยุ่งกับอะไรไม่ไปเอาเรื่องเอาราวมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์มันก็เลยเข้ามาเหมือนกับมันรู้แล้วมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาก็อยู่เฉยเฉยแล้วอยู่เฉยเฉมันก็รู้อีกว่าไ อ, ไ, อ ไ, อไอตัวที่มันรู้อยู่เที่ยวรู้อารมณ์นู่นนี่ก็ไม่ใช่เราอีกมันก็เลยเฉยไปหมดเลยทีนี้นี่เราเป็นอูเบคขาแท้แท้เลยนะราบเรียบเรื่องอะไรก็ไม่ทําให้เป็นทุกข์ ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติอยู่ะมันก็ยังมีเรื่องมีเราในจิตเราอะ่ะอันนั้นละ่ะเป็นเส้นทางของการฝึกจิตเราจิตเราต้องหลงก่อนจะไปห้ามไม่ให้หลงหรือหลงแล้วเราไม่สบายใจไม่ได้มันหลงก็รู้ว่าหลงแล้วก็พยายามทําความเข้าใจต่อไปใหม่พราะจิตเรามันยังหลงอยู่มันก็ต้องหลงไปก่อนแต่อาศัยความหลงเนี่ยมาฝึกจิตตัวเอง ให้จิตมันฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาให้มันรู้เรื่องรู้ราวขึ้นม า, าเพราะนั้นให้ดิวตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะไม่ให้เป็นหลงอะไรยึดติดคองอะไรนะเดี๋ยวเราจะเลิกแล้วนึกถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าสงบเยือกเย็นไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลย แล้ถึงเวลาสเสวยพักระย า, ารสเสวยมันก็สเสวยแต่ไม่ยืดไม่ติดไม่ค้องพอรู้แล้วว่าเรามีร่างกายมีพระารกายก็ต้องรักษาเยียวยาไม่ใช่มีความอยากดิ้นรนของจิตใจแต่รู้ความจริงว่าเออต้องอาศัยอาหารซึ่งเป็นเหมือนยา เขาไปหล่อเลี้ยงร่างกายรักษาร่างกายรักษาธาตุขันไว้ถึงเวลามันจะตายก็อยอมรับได้ปะ่ะโอเกิดมาแล้วก็ต้องตายเมื่อมันหมดสภาพมันก็ตายไปแต่จิตนี้ถ้ายังไม่ถึงปณิพานัมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดก็ให้มันเกิดดีๆขึ้นกว่าเดิมมันจึงต้องทําดีเอามาให้ทานบางรักษาศิ้นบางภาวนา เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นในจิตของเรามีสติมีปัญญาปล่อยวางจนจิตเป็นอิสระเมื่อไหร่เหมือนพระไท่ของพระพุทธเจ้าจิตของพ่อระหันทั้งหมดไม่ยึดติดของอะไรเลยแม้แต่ตัวจิตเองมีเหมือนไม่มีเพราะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีอุบทานไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนไม่เอาแล้วพอแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้ว เราก็เลยทำใจของเราวางจิตของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทาความรู้สึกเหมือนว่าเออเดินตามทางของพระเจ้าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรหลังกายก็ให้มันอยู่ของมันไปจิตใจก็เป็นธรรมชาติของมันวางเฉยเวทนามายิ่งดีจะได้ฝึกวางให้มันเบ็ดเสร็จไปเลย เวทนาเหลิมอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่จิตมีเอามันเด็ดขาดลงไปเวทนาก็แค่อาการเจ็บปวดไปธรรมดาจิตเราปล่อยวางได้เฉยได้จิตเราก็มีกําลังเพิ่มขึ้นสติปัญญาเราก็มากขึ้นเจ็บปวดไม่เดือดร้อนนี่แสดงปัญญามันกล้ามันทําให้จิตนี่ทนทานเข้มแข็งแข็งแกร่ ง, งไม่อ่อนไหวไปกับเวทนาทั้งหมดเรื่องราวอะไรมากระทบมันจะมีกําลังขึ้นมาแล้วทีนี้ภูมิต้านทานมันสูงขึ้น นี่หลัการฝึกจิตฝึกใจเรารู้จักปล่อยรู้จักวางหรือแม้แต่อารมณ์อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพราะจิตเราหลงไปอันนั้นมันจะเอาอันนั้นอันนี้มาทาให้ตัวเองมีความสุขแต่ถ้าเราเอาจิตเรากลับคืนมากลับคืนมาพอจิตเราเริ่มกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอารมณ์อื่นๆน่มันจะดับไปเราจะเข้าใจที่นีอ้อเมื่อกี้นี้มันเมันเป็นเพราะมันนึกว่าถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขอะ แต่เวลาจิตเราไม่ไปยึดไม่ติดไปคล้องนี่มันกลับดีกว่านานมันเห็นแล้วที่นี่โอ้เป็นเพราะจิตเราทรงกระแสออกไปไปหลงอารมณ์ไปยึดไปติดไปคล้องเองตั้งหา้าตั้งหามันหลอกเรานี่มันจะเห็นรู้เข้าใจมันก็วางเฉยวางจิตวางใจได้เอาสุดท้ายแล้วนะให้ตั้งปณิธานเองเลยนะ แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญด้วยตัวเองเลยเคยไปที่ไหนอะ่ะเขานิมนต์ไปแล้วพาเขาอุทิศบุญเสร็จแล้วเขาเรียนอภิธรรมเลยนะเขาบอกก็มันจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่เหรอแล้วอุทิศบุญทําไมอะ่ะเขาว่าเอาก็มันยังไม่หลุดพ้นอุทิศบุญก็เพื่อไม่ให้มีอุปสรรคเพื่อให้มันดําเนินชีวิตเพื่อให้มันผ่านพ้น อ, อุปสรรคอะไรไปนี่ละต้องอาศัยบุญอาศัยความดีอาศัยอาสติสมาธิปัญญา เพื่อให้จิตเรามันหลุดพ้นมันหลุดพ้นไปแล้วมันก็ก็ทําไปอ่ะเหมือนเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขากําลังทุกข์ยากลําบากสมควรช่วยก็ช่วยไปอ่ะมันไม่ได้เชียหายอะไรตรงนั้นน่ะแต่สําคัญตรงจิตเราไม่มีทุกข์ควรทําก็ยังทําได้อยู่อ่ะแตามันหลุดพ้นจริงๆมันก็ไม่มีเราอ่ะแต่ที่พวกที่เบียดบ้ายตายเกิดอยู่นี่มันอยู่ในวัฏฏสงสารเนี่ยมันยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันก็ยังเกี่ยวข้องไปยังยึดโยงกันอยู่อ่ะ อันนี้ญาติเล่านี่เคยทําร้ายเรามันมันจําได้อะบางทีมันก็เจ็บปวดยังเจ็บปวดอยู่เพราะมันไปจดจํามันไปมีอุปทานในพวกวิญญาณเนี่ยมันมีวิญญาณดวงหนึ่งมันถูกยิงมันก็เข้ามาสิงเข้ามาสิงผู้หญิงแล้วมันบอกวันนี้ไอ้คนเนี้มันยิงผมเนี่ยมันยิงมันยิงเรานี่ปวดมากเลยอะปวดหน้าอกมันโดนยิงหน้าอกมันวะเป็นผีแล้วมันยังเจ็บปวดได้ดูสิ เพราะอะไรเพราะมันจดจําอุปทานมันหนาแน่นมันยึดนี่แหละความยึดเนี่ยมันเลยเจ็บอยู่ในจิตของมันนั่นแหละแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามันยังเจ็บยังปวดอยู่มันก็ไปเข้าสิงแล้วไปฟ้องร้องคนนั้นคนนี้ถ้ามันเข้าใจและรับบุญแล้วมันก็ไปเกิดนั่นก็แค่นั้นเองอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะ